สนคำว่ากิเลสเครื่องร้อยรัตเนี่ยนะกิเลสเครื่องร้ายรัด ก, ก็คือมีอยู่4อย่างนะเรียกว่าคันทะสกิเลสเครื่องร้อยรัตสอย่างก็คือเครื่องร้อยรัตทางกายคืออภิชาก็คืออภิชากายะคันทะนะพยาบาทพยาบาทกายะคันทะอีทางศีลพัตะปรามาสกายะคันทะอีทางสัจจานิเวสากายะคันทะนะเรียกว่าความกําหนัดในที่ถิของตน ชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรับทางกายคืออภิชาความอาฆาตความไม่ยินดีในวาทะของชนเหล่าอื่นเชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรับทางกายคือพยาบาทความยึดถือศีลหรือพรตหรือยึดถือศีลพรตของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรับทางกายคือศีลพัตตปรามาตทิฏฐิของตนเนี่ยนะชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรับทางกายคืออีทางสัจจานิเวสะตัวทิฏฐิของตัวเองนั่นแหละอีทางสัจจานิเวสกายคันธะ ก็คือคันทะสีนั่นเองนะนะผ้าหันตะขีนาศพเนี่ยนะไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ผ้าหันตขีนาศพนั้นอธิบายว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายย่อมไม่มีคือไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปปรากฏเนี่ยนะคือไม่เข้าไปได้คือกิเลสอันบุคคล น, นั้นละตัดขาดสงบระงับดับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยลัทธทั้งหลายไม่มีแก่บุคคล น, นั้นคําว่าบุคคล น, นั้นได้ข้ามตันหาอันชื่อว่าวิสติกาได้แล้วเนี่ยนะตันหาก็อย่างที่กล่าวไปราคะสราคะเป็นต้นเนี่ยนะอภิชาโลภาอากุศลมูลเพราะตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาก็เพราะอาธรรมว่าแพ่ไปเล่นไปไม่สม่ําเสมอครอบงําสะท้อนไปเป็นเหตุให้พูดผิดมีมูลเปรากเป็นพิษมีผลเป็นพิษมีเครื่องบริโภคเป็นพิษ ตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาที่ว่าแผ่ไปก็แผ่ไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาภะในสกุลคณะอาวาสในลาภยศสรรเสริญสุขในจีวอนเป็นต้นนะนะในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธภาภะที่ทราบธรรมมณ์ที่รู้แจ้งไอ้ตันหาที่มันแผ่ไปอย่างนี้จึงชื่อว่าวิสติกา บุคคลนั้นได้ข้ามซึ่งตันหาอันชื่อว่าวิสัติกาแล้วความว่าบุคคลนั้นได้ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นล่วงเลยเป็นไปล่วงตันหาอันชื่อว่าวิสัติกานี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลนั้นได้ข้ามตันหาอันชื่อว่าวิสัติกาได้แล้วมันสรุปคาถาว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่เพ่งในวัตถุกรมและกิเลสการมว่าเป็นผู้เข้าไปสงบราคะเป็นต้นเนี่ยนะกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัตคือคันทะทั้งสี่ย่อมไม่มีแก่ผ้าอรหันนั้นบุคคลนั้น่ะ คือพระ้าหั่นนั้นได้ข้ามตัญหาอันที่ซ่านไปในอารมณ์ทั้งปวงได้แล้วขึ้นคาถามใหม่ว่าบุตรประสุสัตว์ไร่นาและที่ดินย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นว่าไม่มีคือไม่มีฉันทราคาในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอัตตะทิฐิก็ดีนิรัตะทิฐิก็ดีย่อมไม่เข้าไปได้ในบุคคลนั้นคือท่านไม่มีสัสตตะทิฐิไม่มีอุเฉท ท, ทิฐิสัสตททะทิฐีอุเฉททิฐิไม่เข้าไปแทรกในท่านได้เลย บุคคลนั้นก็หมายถึงพารหันถขีนาศพเนี่ยนะคำว่าบุตรปัสุสสัตไรนาและที่ดินย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคือความยึดถือบุตรนะนะคำว่าไม่มีแปลว่าไม่มีความยึดถือในในบุตรความยึดถือในปะสุสสัตความยึดถือในไรนายึดถือในที่ดินย่อมมไม่มีไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่บุคคลนั้นคำว่าไม่ยึดถือคือไม่ยึดถือด้วยอานาจตันหากับทิฏฐิ พระราหุลเนี่ยนะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้ายึดถือพระราหุลว่าเป็นลูกด้วยอานาจตันหาทิฏฐิไหมไม่ไปไม่มีเพราะนั้นตันหาทั้งหมดนั้นนะ่ะนะเป็นสภาพอันบุคคล น, นั้นละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคื อ, อยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบทปรสสุสัตไสนาที่ดินย่อมไม่มี คือท่านไม่มีความยึดถือด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือด้วยอานาจกามุปาทานที่ถูกปาทานศีลพระตูปาทานอั ต, ตาวาทุปาทานในสิ่งเหล่านั้นเลยสัตตทิฏฐิชื่อว่าอัตตาเนี่ยนะส่วนอุเฉททิฏฐิชื่อว่านิรัตตาทั้งอัตตานิรัตตาเนี่ยด้วยอานาจอุเฉททิฏฐิสัตตทิฏฐิเนี่ยย่อมไม่มี <Raymond meaning. S 1> ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิรัตตาก็คือไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่อัตตาก็คืออุเฉททิฏฐิสัสนะททิชื่อว่าอัตตานิรัตตาก็คืออุเฉททิฏฐิพวกที่อัตตาก็คือตายแล้วยั่งยืนเนี่ยนะส่วนนิรัตตาก็ตายแล้วศูนนั่นแหละสิ่งที่ยึดถือว่าอัตตาย่อมไม่มีสิ่งที่พึงปล่อยวางเชื่อว่านิรัตาย่อมไม่มีสิ่งที่ยึดถือย่อมไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่ปล่อยวางก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น สิ่งที่จะพึงปล่อยวางย่อมไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่จะพึงยึดถือก็ไม่มีแก่บุคคล น, นั้นผู้เป็นผ้าหาันเพราะว่าผ้าหันท่านก้าวล่วงความถือและความปล่อยวางได้แล้วล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมบุคคล น, นั้นอยู่จบแล้วมีจรณะอันประพฤติแล้วเนี่ยนะก็คืออบรมจนตรัสรู้มีคุณธรรมเพียบพร้อมคือคุณของพระ้าหันเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นท่านตัดกิเลสที่จะนําเกิดในภพใหม่เนั้นภพใหม่จึงไม่มีแก่บุคคล น, นั้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุเทธทิฏฐิสัสถทิฏฐิที่ไปเรียกว่าอัตตทิฏฐินิรัตตาทิฏฐิย่อมไม่มีคือย่อมไม่เข้าไปได้ในบุคคล น, นั้นสรุปว่าบุราตรปสุสัตว์ไรนาที่ดินไม่มีแก่บุคคล น, นั้นคือท่านไม่มียึดความยึดถือในสิ่งเหล่านี้อุเททิฏฐิสัสถทิฏฐิก็ไม่เข้าไปได้ในบุคคล น, นั้นคือพผ้าหันนั้นพวกปูทุชนทั้งพวกสมณะพราหมณ์พึงกล่าวโทษใด โทษนั้นไม่ห้อมล้อมบุคคล น, นั้นเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะคือทิฏฐิทั้งหลายอนนะพวกพาระปุตุชนทั้งหลายใช่ไหมพวกสมณะพาพราหมณ์ภายนอกเนี่ยนะก็ไปยัดเยียดโทษให้ท่านนะนะโทษเหล่านั้นก็ไม่มีในสําหรับท่านก็คําว่าปุตุชนก่อนนะคำว่าปุตุชนเพราะอาจว่าอะไรประมาณปุตุชนเพรหมายคําว่าให้กิเลสหนาเกิดมีสกายาทิฐิอันยังไม่กําจัดเนี่ยหนามากอนะันนั้ ก็ยึดอะไรมัง่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะยึดไปมันก็เราของเราหมดอนะ่ะเพราะอะไรเพรไม่ได้ทําปริญญาอะไรเลยนะสกายยที่นี่เนี่ยจึงมากแล้วก็ยังเป็นผู้เลือกหน้ า, าศาสดามากอ่ะ น, นะเลือกหน้ามากอ่ะ น, นะก็จากาศาสดานึงไปห า, าศาสดานึงจากาศาสดานึงไปห า, าศาสดานึงอ่ะนะมีความหมายหนึ่งก็ชอบมากเขาบงันหน้าดูหน้ า, าศาสดาบ่อยๆนะเลียวหน้าดูหน้ า, าศาสดาไปเรื่อยอ่ะนะ เป็นผู้อันคติทั้งปวงร้อยไว้มากคติก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยร้อยไว้มากย่อมปรุงแต่งด้วยพี่สังขารคือทั้งปุญญาพิ่สังขารปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารต่างๆเอาไว้มากียรว่าย่อมลอยไปเพราะห่วงกิเลสต่างๆมากะนะกิเลสมันพาลอยไปเรื่อยเนละโอฆ่ามันพาลอยตุ๊บปองตุ๊บปองไปเที่ยวเรื่อยอย่างเงี้ยนะนะพวกอะไรกามโมคะทิถขโขฆะพวฆะวิโชฆะมันพาลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ย เชื่อว่าย่อมเดือดร้อนเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ร้อนต่างๆเนี่ยมากาเป็นผู้กำหนัดยินดีชอบใจลงไหลเกาะเกี่ยวพัวพันมากในการมาคุณห้าเป็นผู้อันนิวรห้าร้อยรัดปกคลุมปิดบังหุ่มห่อเอาไว้มากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปุตุชนเนี่ยนะโอ้แสดงว่าเรานี่มีมา ก, ก น, นะไอ้มีของที่ไม่ค่อยดีนะบริบูรณ์ไปด้วยสมุทัยมากวะงั้น ชนพวกใดพวกหนึ่งเข้าถึงเข้าถึงพร้อมการบวชภายนอกศาสนานี้ชื่อว่าสมณะส่วนพวกใดที่อ้างตนว่าเป็นผู้เจริญเรียกว่าพวกพรามคือพั้งปุตุชนสมณะพรามกล่าวโทษใด น, นะปุตุชนสมณะพรามเขาจะกล่าวโทษพระอรหันต์คือกล่าวว่าโดยราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอุทจัุกุกกุจฉาและอนุสัยใดว่า คือจะไปว่าท่านว่าเป็นคนกำหนัดขัดเครืองหลงไหลผูกพันถือมั่นฟุ้งซ่านถึงความไม่แน่นอนหรือถึงความด้วยเรียวแรงกิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละแล้วนะไปโปรยโทษใส่พระอรหันต์เช่นพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนมีราคะโทสะโมหะเป็นผู้กำหนัดขัดเครื่องหลงไหลผูกพันถือมั่นฟุ้งซ่านไม่แน่นอนเนี่ยหรืออนุสัยกิเลสเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบุคคลนั้นละแล้วเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งได้แล้ว น, นะไปไปว่าท่านไม่ได้ว่าท่านเป็นคนมีกิเลสนะนะไปไปประมาณท่านไม่ได้หรือจะไปบอกว่าท่านเนี่ยเข้าถึงคตินะนะไปว่าท่านเนี่ยอยู่ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานว่าได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงคติโดยเหตุใดว่าบุคคลนั้นเกิดในนรกเกิดในเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาเป็นสัตว์มีรูปไม่มีรูปเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญา บุคคลนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกรณะที่เป็นเครื่องกล่าวคือบอกพูดแสดงถแถลงฉะนั้นจึงชื่อว่าปุตุชนทั้งพวกสมณะพราหมึงกล่าวโทษได้สมัยนี้เขาพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ที่เทวดาใช่ไหมแหมเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นะก็แสดงว่าเข้าใจผิดะนะบนสวรรค์นเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นใช่ไหมยจารไปไหมยังไม่ไปอ่ะนะ ไปถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าเขบอกไปเจอมาแล้วว่างั้นน่ะยุ่งเลยเหมือนกันนะจะถูกหลอกอะไรป่า น, นน้อเนี่ยนะใครที่ไปเห็นพระพุทธเจ้าในสวรรค์ได้เ น, นี่ยโดยมากหมดตัวกันทั้งนั้นนะ่เนยหมดไปเยอะหมดไปหลายแสนเลยอนะหมดเงินหมดทองเนี่ยหมดจริงๆนะยิ่งใครเห็นมากกว่านั้นด้วยนะโหหมดหลายล้านเลยนะคนละหลายสิบล้านเลยนะถ้าไปเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในสวรรค์เนี่ยหมดเนี่ยหมดตัวเลยแหละนั่นนะ ท่านนั่งแล้วปีติเกิดเนี่ยก็หมดไปเยอะแล้วนะท่านนั่งแล้วไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็โอ้โหหมดหมดเยอะนะพวกนี้ซื้อแพงมากเลยนะผ้าอรหันเนี่ยนะไม่มีโทษห้อมล้อมคือโทษห้อมล้อมไม่มีแก่พระอรหันนั้นคําว่าโทษห้อมล้อมนี่ห้อมอะไรมาห้อมล้อมก็คือตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะห้อมล้อมบุคคลนั้นละความห้อมล้อมแห่งตันหาสละคืนความห้อมล้อมแห่งทิฏฐิแล้ว เพราะเป็นผู้ละความห้อมล้อมแห่งตันหาสละคืนความห้อมล้อมแห่งท Dial ิฏฐิเสร็จแล้วจึงไม่ทำตันหาและทิฏฐิออกหน้าเป็นผู้ไม่มีตันหาเป็นธงชยัยไม่มีตันหาเป็นธงยอดไม่มีตันหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชยัยไม่มีทิฏฐิเป็นธงยอดไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่เป็นไม่เป็นผู้อันตันหาหรือทิฏฐิห้อมล้อมเที่ยวไป แต่พูดถึงของเรานีตันหามันห้อมหน้าห้อมหลังห้อมล้อมตาล้อมจมูกเหมือนแมลงวีเลยแมลงวีนี่มันล้อมไปหมดเลยนะล้อมตาล้อมหูล้อมจมูกอันนี้ของเราก็ตันหามันล้อมหึงไปหมดเลยนะทิฏติมันล้อมพาไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือพระาหันเนี่ยเพราะเหตุนั้นกัณะนั้นปัจจัยนั้นนิทานว่าบุคคลเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพาหันเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่โยกคลงไม่เอ็นไม่เอียงไม่สะทานไม่สะเทือนในเพราะวาทะ ในพระอุปวาทะคือการเข้าไปว่าร้ายเพราะนินทาติเตียนความไม่สรรเส ร, ริญคือท่านไม่หวั่นไหวเลยนะใครจะมาว่าอะไรท่านท่านก็ไม่ห ว, วั่นไหวเพราะฉะนั้นคนจะมานินทาติเตียนไม่สรรเส ร, ริญไม่ยกคุณย่องคุณงามความดีมันท่านจะไม่หวั่นไหวแม้แต่หน่อยเรียกว่าไม่หวั่นไหวในวาทะทั้งหลายเนี่ยนี่มัในใครจะว่าอะไรท่านก็ว่าไปนะเนี่ยก็มีก็มีวาจาก็ว่าไปแต่เธอเรีย ก, กเราถ้าไอ้คำที่ว่าเนี่ยถ้าว่าดีอะ ก็ดีไปใช่ไหมถ้าว่าไม่ดี <Okay. S 1> ก็เข้าตัวก็เหมือนแผ่นดินนี่แหละถ้าใครสแสวงหาประโยชน์จากแผ่นดินก็ได้ประโยชน์จากแผ่นดินเป็นอย่างมากใช่ไหมคือเช่นมาเพาะมาปลูกทําเลือกสวนไร่นาโดยอาศัยแผ่นดินก็มีอาหารการเป็นอยู่หล่อเลี้ยงใช่ไหมแต่ถ้าเอาตัวไปถูในแผ่นดินห่อก็มีโทษนะนะดวงอาทิตย์เนี่ยให้ประโยชน์ส่องแสงสว่างให้กับคนมีตาใช่ไหมแต่ถ้าเราโกรธ ด, ดวงอาทิตย์นะถลึงตาดูดวงอาทิตย์สักสองชั่วโมงอะ โกโรธ ด, ดวงอาทิตย์มากนะเที่ยงวันก็เลยนอนถลึงตากโกโรธ ด, ดวงอาทิตย์เลยนะเป็นไงคุณบุญโชว์ตาดีขึ้นไหยตาบอดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วนะนะี่บรรพูตุชนทั้งส ม, มณะพราหมณ์เนี่ยนะกล่าวโทษใดคือยกกิเลสไปว่าท่านหรือว่าท่านจะไปเกิดในคติใดเนี่ยนะท่านไม่มีอย่างนั้นหรอกแล้วก็ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเนี่ยนะด้วยอํานาจราคาโทสะเป็นต้นในคําติเตียนแม้แต่คําเดียว บุคคลนั้นเป็นมุนีปราศจากความกำหนัดไม่ตรณีไม่กล่าวในความเป็นผู้สูงกว่าเขาไม่กล่าวในความเป็นผู้เสมอเขาไม่กล่าวในความเป็นผู้ต่ำกว่าเขาคือท่านเป็นมุนีที่ไม่กำหนัดไม่ตรณีแล้วก็ไม่มีมานะเป็นผู้ไม่กำหนัดย่อมไม่ถึงความกำหนัดเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยคุณธรรมของท่านเป็นอย่างนี้นะตันหาเรียกว่าความกำหนัดเนี่ยนะก็บอกว่า อภิชาโลภะความกำหนัดนั้นอนะ่ะอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทรหะไม่ให้ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคล น, นั้นเรียกว่าผู้ปราศจากความกำหนัดบุคคล น, นั้นไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่หลงไม่ติดใจเป็นผู้ที่ปราศจากความกำหนัดกำจัดคายปล่อยสละคืนในรูปเสียงเปลี่นรถโพธิพระธรรมลมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ย ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินเปิ่นรถโธพธาภที่ทราบธรรมรมที่รู้แจ้งเป็นผู้หายหิวดับแล้วเย็นแล้วเป็นผู้มีตนดังพรมสเสวยสุขอยู่เรียกว่าผู้ปราศจากความกําหนักนะยิ่งกว่าพรมอีกนะเพราะพรมยังเคารพสการะนับถือท่านเลยนะความตระหนี่ห้าอย่างเนี่ยนะคือตระหนี่ที่อยู่สกุลลาบวณธรรมความตระหนี่ทั้งหมดนั้นอะ่ะารหันเนี่ยละตัดขาดสงบ ระ ง, งับแล้วไม่ให้ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตรีท่านก็เป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมนายธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นชื่อว่าเป็นมุนีเ น, นะ น, นี่ยนะมุนีเนี่ยย่อมไม่กล่าวคือไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงว่าไม่แถลงด้วยอํานาจมานะว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นนะมุนีท่านเนี่ยไม่พูดว่า ไม่พูดว่าสูงกว่าเสมอหรือว่าต่ำกว่าเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีม า, น, านะนะท่านไม่มีมานะเพราะท่านเห็นความจริงว่าทุก น, นะนะคือคนที่มีม า, น, านะนะเนื่องจากยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ยึดถือรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธิภพธรรมรมหรือยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดถือขันทัดอายตนะเนี่ยก็เอาไปมีมา n a กันนั้นพระ้าหันเนี่ยท่านตัดฉันราคาในรูปเสียงเปลี่นรสโพธิภพตัดฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันอายตนะธาตุหมดแล้วนั้นท่านจึงไม่มีมา n ะในสิ่งเหล่านี้ว่าดีกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขาเนี่ยนะไม่มีมานะเลยนะเชื่อว่าความกําหนดกําหนดด้วยตัณหากับทิฏฐิเนี่ยนะว่า พาหันั้นละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฏฐิแล้วเพราะเป็นผู้ละความกําหนดด้วยตันหาสละความกําหนดด้วยทิฏฐิจึงไม่ถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งความกําหนดด้วยทิฏฐิจึงชื่อว่าไม่กําหนดด้วยตันหากับทิฏฐิไอ้กาหนดกับทำปริญญาในทีนี้คนละในกันนะอันนี้หมายถึงเข้าไปยึดแน่นหนาตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะชื่อว่าความกําหนดเนี่ยนะ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 สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือบุคคล น, นั้นเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมปราศจากความกำหนัดด้วยตันหากับทิฏเนี่ยนะไม่ตรณีห้าอย่างไม่กล่าวด้วยอำนาจมานะว่าสูงกว่าหรือว่าเสมอเขาหรือว่าต่ำกว่าเขาเป็นผู้ไม่กำหนดด้วยตันหากับทิฏย่อมไม่ถึงความกำหนดด้วยตันหากับทิฏเนี่ยนะผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของตนในโลก เมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแหลเรียกว่าผู้สงบเนไหนะอันผู้ที่สงบจริงๆก็คือไม่ถือว่าของตนนะเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่เศร้าโศกเออเวลาเราโศกเนี่ยก็เนื่องยึดถือว่าเป็นเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตนหรือว่าของตนเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นตนว่าเป็นของตนนั่นแหละจึง จึงโศกเนี่ยนะเพราะยึดถือว่าเป็นเราเนะ่ยเขาไม่มาเข็นก็เลยโศกเนี่ยนะถ้าเขามาเข็นคงไม่โศกนะคงจะปลื้มเลยนะว่าเขายังห่วงเราอยู่เขาดูแลเราอยู่นะก็เพราะว่ายึดถือว่าเป็นเราก็เลยโศกเพราะไม่มีใครเหลียวแลเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้ที่ไม่ถึงความลำเอียงอันนะไม่มีอคตินี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบ พราอาหารนี้ไม่มีความถือว่าเป็นของตนคือไม่มีความถือยึดมั่นถือมั่นความติดใจความข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรว่านี้ของเราก็ไม่ได้ความสำคัญวันนี้เป็นของบุคคลอื่นนะนท่านเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถือว่าเป็นของตนในโลกไม่ถืออะไรสักอย่างนะ คำว่าไม่ถือเนี่ยไม่ถือด้วยตันหากับทิฏฐินะแต่ไม่ได้แปลว่าตือนไม่แปลงฟันไม่ล้างหน้าไม่กินไม่อาบไม่อะไรไม่ใช่คําว่าไม่ถือคือไม่ถือด้วยตันหากับทิฏฐิแต่ว่าดํารงอยู่ด้วยดํารงอยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะดำรงอยู่ในไตรสิกขาปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาสอนไตรสิกขาแกสัตว์ทั้งหลายคําว่าเมื่อสิ่งที่ยึดถือว่าของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกความว่า ย่อมไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนไปแล้วหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงคือไม่เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวนไม่ทุบอกร่ำไรไม่ถึงความลหลงไหลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแปรปลวนไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วสกุลคณะอาวาตของเราแปรปลวนไปแล้วลาบยศสรรเสริญสุขของเราเนี่ยแปรปลวนไปแล้ว จีวณบินธบาศเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสรรัชบริขารของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรลูกสาลูกชายลูกสาวมิตรพวกพ้องญาติสาโลหิตของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้อันความไม่ยินดีคือทุกขเวทนาถูกต้องครอบงํากลุ่มรุมประกอบแล้วย่อมไม่เศร้าโศก คือทุกความทุกใดเบียดเบียนก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ทุบอกกล้ามไรไม่ถึงความหลงไหลคือเกิดโรคใดๆขึ้นก็ไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นโรคตาโรคนูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่หูที่ปากที่ฟันโรคไอหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบบิดจุกเสียดลงรากโรคเลือนฝีกลากมองคล้อลมบ้าหมูหิดเปืยหิดด้านหูดโรค โรคระลอกนะครคุทธราชอาเจียนเป็นเลือดน้ำดีเดือดเบาหวานโรคเริมผุพองฤสีดวงอาพาธที่มีดีเป็นสมุทฐานเ ส, สมหะมีลมเป็นสมุทฐานเรียว่าไข้สันนิบาตคือหลายๆอย่างมันประชุมกันนะหรืออาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดจากความเพียรเกินกําลังอาพาธที่เกิดจากวิบาตของกรรม ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจาระปัสสาวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ไม่ได้เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะถึงเกิดโรคเหล่านี้ก็ไม่เศร้าโศกไม่ว่าจะสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอนนะไรรอบอ่ะไอตัวรอบนั้นเล่นงานก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าท่านเนี่ยไม่ เศร้าโศกถึงไม่ลำบากใจไม่คร่ําครวญไม่ทุบอกไม่ถึงความหลงไหลเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคือคือสิ่งที่เคยมีเสียหายไปหรือไอความดีความสุขทั้งหลายเสียหายไปท่านก็ไม่ไม่โศกอะไรอีกอย่างหนึ่งเมื่อวัตถุไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ําครวญไม่ทุบอกกล้ามไร ไม่ถึงความหลงไหลว่าโอ้เนาะสิ่งนั้นของเราสิ่งนั้นไม่มีแก่เราเนาะสิ่งนั้นควรมีแก่เราเนาะเราเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นเนาะด้วยเหตุอย่างนี้จึงชื่อว่าสิ่งที่ยึดถือของตนไม่มีย่อมไม่เศร้าโศกถึงนะไม่เศร้าโศกถึงถึงสิ่งที่เคยมีและก็ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ยังไม่มีก็ไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะมีด้วยเนี่ยนะ คำว่าย่อมไม่มีความลำเอียงในธรรมทั้งหลายนะไม่ลำเอียงคือไม่ถึงอคติอนะอคติก็คือสิ่งที่บัณฑิตไม่พึงถึงอันนะคือไม่ถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติท่านไม่ถึงด้วยสา ม, มารถแห่งราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธจาวิจิกิจฉาอนุสัยไม่ดําเนินออกเลื่อนเคลื่อนไปด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอกุศลนะนะอันทําให้เป็นพวกฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ลำเอียงคือไม่มีอคติ ในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้สงบคือเราบอกพูดแสดงถแถลงว่าผู้สงบผู้เข้าไปสงบผู้เข้าไปสงบวิเศษผู้ดับระงับแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบนะสรุปคาถาว่าผู้ใดไม่มีความถือว่าของตนในโลกเมื่อสิ่งที่ถือว่าของตนไม่มีอยู่ ย่อมไม่เศร้าโศกถึงและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแหลเรียกว่าผู้สงบเนี่ยนะในสูตรนี้ก็ข้อความก็จบแต่เพียงเท่านี้นะในปุราปราเพทสุตตนิเทศก็ว่าจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอดคือจบลงที่ความเป็นผาหันเนี่ยนะแต่จริงทั้งสูตรนี้ก็กล่าวคุณธรรมของผาหาันเมื่อเทศนาจบเทวดาแสนโกรธบรรลุเป็นผ้าหาัน การนับจํานวนพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะคือบรรลุหาประมาณไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่มีเราอยู่ที่นั่นอีกนั่นแหละเนี่ยนะนาดเป็นไงเสียใจไหมที่ไม่มีเราที่นั่นะนะนาดไปทําอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ก็แต่ก็ไม่เสียใจอ๋อสาธุแต่ก็น้อยใจอยู่บ้าง <c oughs> เอา้าก็อ่านไม่รู้เรื่องแลยทำไมโกรธนะ่ะนั่นแหละอย่างงั้นแหละเป็นงนั้นแหละ นั่นก็บรรลุหาประมาณไม่ได้นะก็ความในสูตรนี้